Book 2 98 98 2> สันทานซอนสันทาน Под в о й н ы е лучники การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป การเดินทางเป็นทั้ а я але ษและน่าเศร้ารถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป хотя ท п р ซ й ш о ў с в งเ ч а с о в а але быў занадта набіты. โรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไป เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟเขามาวันนี้ตอนคำ่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้ า, บบาเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม abo โรเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษยยกกกเธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนเธ อ, อรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Яна в е д а เ як Іспанію, так і Англію เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้ว ย, ย เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยผมเล่นไม่ได้ทั้งเปีย โ, โนและกีตาร์มารผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบา้า Я не умею т а ารถเต้นรำทั้งนิวเวิลผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบอลเล่ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นคนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกียขคานขึ้นเท่านั้น